เรื่องโลกาวินาศเมื่อขาดธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยร้อมหนวยพสรสิริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความผาสุกทุก ป, ประการจุบังเกิดมีแต่ญาติโยมพุทธบริษัท ผู้ทีมีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้โสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระอันธรรมสวรรควันนี้ได้เรียนมาบรรจกครบรอบอีกครั้งหนึ่งตามปกติทางสถานีวิทยุกระจ่ายเสียง แห่งนี้ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นเป็นประจำเป็นโอกาสที่ท่านสาธุชนจะได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมคำสังสอนในทางพระพุทธศาสน า, าวันนี้จะมาได้มีโอกาสมากล่าวธรรมกร้าปาตกร้าธรรมต่ า, ททางสถานีวิทยุเกิดแจ่เสียงพบกับพี่น้อง สาธุจนพุทธบริษัปอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เราได้ห่างเหินกันไปนานทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าการงานของพระศาสนาต้องเดินทางไปแะสะดงธรรมในต่างจังหวัด ต, ต่างที่ต่างที่ไม่ได้พักผ่อนก็เลยมีเวลาน้อยที่จะได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลาย แต่อย่างไรก็ตามเราก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ได้ดมาเปลี่ยนกันมาสมแสดงพระธรรมเทศนาช่วยกันขอเข็นกงล้อแห่งธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาคำสังสรร์อันถูกต้องอันดีงามของพระศาสนานี้เพื่อประโยชน์แก่ หมู่มวลมนุษยชาติเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายผู้มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังโยกก็จะเป็นโอกาสดีที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังสิ่งที่ควรจะฟังฟังแล้วยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ลอกนามาตั้งออกตั้งกจ ฟ, ฟังแล้วอามาคิดพินิพิจารณา พอทอยคำที่ท่านพูดนั้นมันจะเป็นความจริงหรือไม่ถ้าสิ่งใดมันจะเป็นประโยชน์ฟังแล้วพิณาลเลยว่ามันมีประโยชน์สดิี่ผลก็จงน้อมนําไปสุจิสูใจประกอบพิจติบัติตรตามนะฮะฟังแล้วมันไม่มีประโยชน์สดิี่ผลอะไรไม่มีเหตุไปมีผลก็ไม่ควรที่เราจะนําไปประกอปฏิบัติ ในพุทธศาสนานี้จะเปิดโอกาสให้แก่ท่านพูสฟังท่านผู้ศึกษาให้เป็นอิสระในความเชื<ะ>่อสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันมีค่ามากจนซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้พ้อยคําที่ดีที่สดุดหลักคําที่ดีที่สุดนั้นก็เช่นเดียวกันมันเกินกว่าที่จะไปบังคับกันให้เชื่อตาม แต่ถ้าดีธรรมดาบังคับบังจะเป็นการดีก็ไม่ทำตามแต่สิ่งที่ดีที่สุดบังคับไปได้ถึงบังคับก็ไม่ทำตามภายในใจลึกๆพระศาสนามีคำสอนอยู่สองระดับคือระดับโลกโลกระบบชีวิตและระเบียบของสังคมโลกียธรรมในเรียก ว, วา่าศีลธรรม ให้ระบบสูงขึ้นมาเป็นระบบแห่งโลกุตตลธรรมผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเข้าใจแล้วปฏิบัติและจะทำให้อยู่เหนือโลกออกไปคือจิตใจไม่ถูกครอบงำพื่อสิ่งที่เรียกว่าโลกสิ่งที่มันจะแตกแกดับอันนี้เรียกว่าโลกุตตลธรรมหรือปรมัตถธรรม ทำที่ยังผู้ประพฤติปฏิบัติผู้ศึกษาให้เนื้อไปจากโลกได้รับประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่เกิดมาอันนี้ก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จักมันและความถูกต้องสิ่งที่จ้องประพฤติปฏิบัติตามถ้าประพฤติปฏิบัติผีดจะได้รับผลความเดือดร้อนบนวายถ้าประพฤติปฏิบัติถูกตามความจริงสิ่งที่ เรารู้นั้นก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดที่ว่าปรมัตะประโยชน์สุนทรมัตะประมาปรมัตถะธรรมก็มาจาว่าปรมาภะประโยชน์สูงสุดในชีวิตที่จะผึ่งได้เพราะเห็นการฟังพระธรรมเทศนาคำสอนในทางพุทธศาสนานี้อย่างน้อย ทั้งก็จะได้รับประโยชน์ในโลกดำเนินชีวิตอย่างมีระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมอยู่อย่างไม่กระทบกระทางกันยือย่างมีความสุขสงบร่มเย็นตราบเท่าชีวิตที่มีอยู่ในโลกสูงขึ้นมาท่านจะอยู่ อย่างเป็นผู้ไม่ถูกครอบงำด้วยปัญหาต่างๆแต่เนื้อปัญหาในโล ก, กตลุตตรธรรมนี่เป็นคำตังสอนในทางพุทธศาสนาโลกิยธรรมจริยธรรมธรรมดาระบบศีลธรรมธรรมดานั่นทำให้สังค ม, มการอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะมีความสุขมีความสงบ แต่ก็ยังไม่พร้อมยังไม่พอที่จะทำให้ชีวิตนี้ปลอดภัยไปจากความทุกข์พอวความจริงมันมีอยู่อันหนึ่งว่าในโลกอสนิ ว, า, ว า, นารอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มันมีคนหลายคนไม่ใช่มีแต่เรามีคนอีกหลายคนไม่ใช่มีแต่พวกเราเท่านั้นแต่สมมติว่ารเราดีมีศีลมีธรรมเราไม่ก่อเวรสร้างกรรมเผาสังคมเผาโนี้หให้เราร้อน แต่คนอื่นที่มีอยู่ด้วยกันนั้นเขาไม่มีสิมไธรทำเขาก็จะมาก่อเวรสร้างกรรมเบียดเบียนตัวเราพวกเรานี่ให้เดือดร้อนให้ฝนวายระบบแห่งศินอย่างศินห้าลองศึกษาระบบเรื่องสินห้าดูพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นแต่สินห้าเนี่มีมาแล้วเขาตั้งมาก่อพระพุทธเจ้าก็เพื่อจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคม สิ้นห้านี้ไปเปิดดูอคันยสูตรที่คันนิกายปฏิกวิววะแข่งประเตยปิดกเติ่มที่สิบเอ็ดทางเราจะได้พบได้เห็นเปิดไปข้อที่หกสิบสองหน้าที่แปดสิบบอกว่าแปดสิบสามก็จะพบพระพุทธเจ้าเราเรื่องสิ้นหานี่คือกฎหมายของโลกเขาตั้งกันขึ้นมา เพื่อให้เป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมมนุษยชาติที่อยู่รวมกันและสังคมก็ส ง, งบล ง, งับไประยะหนึ่งแต่ความเบียดเบียนกันทางกายทางวาจามันส ง, งบไปหน่อยแต่ทางใจก็ยังมีการเบียดเบียนอย่างน้อยคนอื่นกงแสดงออกมาเบียดเบียนเราหรือเราเบียดเบียนตนเองทางใจศี้นคร ควบคุมปฏิกิริยาการแสดงออกทางกายและวาจาได้จะไม่สามารถที่จะควบคุมใจนอกจากสินอีชนิดหนึ่งสินทระอริยเจ้าอริ ย, รยกันต์สินสินที่อยู่เนือการสมทานวิรักิอืมสมทานคือตั้งใจจะงดเว้นแต่มันเป็นอุตเทธสมทาน ถือเอางดเว้นอย่างขาดศูนย์ขาดรอยอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายหัวเด็ดตีนขาดไม่อวดอุตริมนุษเสียทำหัวเด็ดตีนขาดไม่ฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นโดยความตั้งใจเจตนาหัวเด็ดตีนขาดไม่เสพกามเสพเมธุนหัวเด็ดตีนขาดจะไม่ รักไม่ขโมยของคนอื่นอย่างนี้ศิลที่เป็นอาธิพมมาจันท่านนี้ไ่เพียงแค่นี้แหละแต่ส่วนโลกอุตระธรรมเป็นคําสั่งสอนชั้นสูงคือการอย่างเข้าถึงสัจจะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์แจ้งในความเป็นจริงของธรรมชาติและอดของธรรมชาติอันเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ทัุก ทุกสิ่งทุกอย่างคือความไม่เที่ยงความที่มันแปรปวนเป็นทุกข์และความที่มันไม่อยู่ในอำนาจของใครอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเรียกว่าอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตา the three characteristic of existence สามอันนี้เมื่ออย่างเข้าถึงความจริงสามอันนี้ เห็นสามอันนี้แล้วมันก็จะปล่อยวางโดยไม่ปรารถนาความปล่อยวางมันก็จะเกิดขึ้นมันจะเห็นความจิ้งของชีวิต เ, เห็นความทุกข์หให้เกิดทุกข์จะเป็นปัญหาต่างๆแล้วเห็นความดับลงของความทุกข์เมื่อปล่อยวางเมื่อไม่เป็นเจ้าของแล้วแน่ใจรู้จกักทางที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกสิ่งนี้ คือการปล่อยวางความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนถอดแว่นตาดําฟ้าแจ้งจางๆโดยไม่ต้องไปเช็ดแว่นตาโดยไม่ต้องไปล้างแว่นตามันก็สว่างสวัยขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไปเรียนกันทางทฤษฎีใครก็รู้อันนี้จังรู้ขังอนัตตารู้กันทั้งนั้น แต่มันไม่เห็นเด็ที่คนโบราณว่า น, นกอีเอี่ยงกินหมากพ่อให้แซลแล์เซลลเสียงบ่หมีโตห้องคือจะคล้องทําเจ้าองค์พุดโถคือพอมากหมากเผาผูเฮียนหุหักบ่เห็นใครใก็เรียนรู้อานิจังทุกขังขนาตาแต่มันไม่เห็นประจักรลงไปเป็นสัจจะโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาเห็นชัดเจนเมื่อวางหาบลงจากบ่า ความหนักหน่วงมันก็หายไปสิ้นโดยไม่ปรารถนาจะให้มันหายไปเมื่อรู้ความจริงแล้วความปล่อยวางมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของของความปล่อยวางเมืออ่อถอดแว่นตาดำออกแล้วมันก็สว่างโดยไม่ต้องไปเช็ดแว่นตาเช็ดยังไงมันก็ไม่สว่างดีๆๆีอันนี้คือส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรมจำต้องสอนในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ มีโอกามาพบ ก, กับท่านทั้งหลายก็เลยขึ้นต้นสยาวเย็ยนเลยท่านที่เราคอยฟังอยู่ก่าโอ้ยจะเป็นคนสิบเอีวยังดอกอาจารย์ยิ่งวันไดเรื่องก็ขอบอกนะครับวันนี้จะขอพูดในเรื่องโลกาวินาทเมื่อขาดทำเหตุที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็เกิดขึ้นเรื่องธรรมทั้งโลกิยะโลกุตตะลัก น, น, นี่นี้ เราจะเห็นได้ว่าโลกที่เรากำลังเป็นยอยู่เดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายพูด ก, กันไม่รู้เรื่องทั้งภายในภายนอกในครอบครัวเดียวกันในบ้านเดียวกันในหมู่ในคณะประเทศชาติสังคมประเทศเล็กประเทศใหญ่เป็นข่ายโน้นข่ายนี่บีปัตหากันก็มีกันมานานแล้ว มันเป็นบางครัง้งบางครั้งก็พอจะรู้เรื่องกันก็สงบลงแต่วันใด ม, มีความเห็นแก่ตัวขึ้นมามากมันเกาะพวกกันไม่รู้เรื่องรบลาค่าฟันการเมนสามฝ่ายพูดกันไม่รู้เรื่องทั้งๆดๆไม่ต้องหาล่ามมาแปลนะเป็นเมนเหมือนกันไม่ต้องหาล่ามมาแปลแต่ต้องอาศัยลายชาเดี๋ยวประชุมจิมโน่น ون, เดี๋ยวประชุมที่กรุงเทพเดี๋ยวอินโด เฮลที่โน่นที่นี่เอาแล้วไปเอาฝรั่งมั่งขาฝรั่งเสงทั้งก์อะไรต่ออะไรมาร่วมแปรชมทั้งทั้งที่ภาษาเขมีไม่ต้องหาใไกลมาแปลอันนี้บดิ้งเตะฮูกันโบหัวจักเปลี่ยวจะว่ายะยังไงบดิ้งเตะํากันทั้งนั้นทั้งหมด น, นั้นก็คือการขาดสินขาดไามแต่พูดกันไม่รู้เรื่อง พี่น้องไม่มีสินธรรมมีความเห็นแก่ตัวผู้และไม่รู้เรื่องต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลอย่างมุนมังสังเกตงยามรดกพัวเมียนอนกอดกันอยู่คู่กันไม่รู้เรื่องต้องทะเลาะเพราะแวกเลือกรางกันไปก็เพราะความเห็นแก่ตัวศาส์สินขาดธรรมศีลความโปกาติทำความถูกต้องธรรมชาติอันถูกต้องธรรมชาติที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงนั้น โลกจะขาดสินขาดธรรมเมื่อเกิดความขาดแคลนทางสินทางธรรมในจิตในใจมานเมือง ร, ร้อนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามประดูการร้อนเกินไปหนาวเกินไปพายุเกยถล่มปากใต้บ้านเราภูเขาพังทลายทับบ้างกระทุ่นทั้งหมดนั่นผู้อย่างไม่ต้องคิดว่ามันมาจากการขาดสินขาดธรรมไม่ใช่ขาดคนเดียวไม่ใช่ขาดแต่เพียงพี่น้องทางปากใต้มันขาดกันไปหมด คือความไม่ปกติแห่งจิตใจความไม่ปกติแห่งกายแห่งวาจาของมนุษย์ได้มาเท่าไรไม่พอที่จะทำให้ใจปกติมันต้องไปปลุกร่างทางพงจนภูเขาราบเตีนจนไปโค่นต้นไม้จนฝนตกลงมาไม่มีอะไรปิดบงังภูเขาก็เลยพังทางลายลงมาทับบ้านกระทูลของเรานั่นคือขาดความปกติในโลกไปอย่างนี้ข้อเห็นนั้น โลกนี้จะมีความสุขจสดทื่นยืนนานอยู่ที่ความเป็นผู้มีศิลปมีธรรมในโลกร่วมกันในสมัยใดโลกนี้ขาดศิลป์ขาธรรมจิตใจคนต่ําชาเลวสามไม่เห็นแก่โอกแก่ใจกันใหม่มีความเมตตาปานีมีแต่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวจ้องที่จะช่วยโอกาสเอารับเอาเปรียบโกดีกคามเพงกันผู้มีโอกาสมากเอาเปรียบมาก พอมีโอกาสมากอภิสิทธิ์อิทธิธพลอำนาจวาสนาในแผ่นดินก็ยิ่งถือว่าตนเองพิเศษเลยเอารัดเอาเปรียบนั่นคือความขาดสินทำความเพ้นแก่ตัวเกิดขึ้นเดี๋ยนี่เสียงร่ำรองกันเรื่องคอรรับชั้นคอรับชั้นคอรับชั้ น, อนโองเอารัดเอาเปรียบช่ราด บ, บางหลวงมากขึ้นนำก็คือความขาดสินขาดทมนั่นเอง คนที่มีโอกาสก็ยิ่งเอาเปรียบมากเอาเปรียบบ้านเอาเปรียบเมืองทำยังไงบ้านเมืองเกงจะพัฒนาไปสุดทิศทางแห่งความถูกต้องดีงามมีเงินมีทองเท่าไหร่ทุ่มเทลงมาหายไปหมดหาราานอาหารนั่นเป็นรา้านะเป็นเป็นเป็นเป็นีเน่เกจกรรมที่ขายดีที่สุด ข้าราชการกินข้าวกินปลาอยู่ในบ้านในช่องไม่อร่ อ, รอยอร่อยกินกับลูกกับเมียไม่อร่ อ, รอยอร่อยเป็นนัง่งกินอยูนเล้าในครับในบาร์ที่มีไฟแสงสีเพลงเบาเบาเร่าบางๆนางนัน่งน้ำน้ำไฟสลัวสลั ว, ลวตรงนั้นเงินเดือนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นหนี้เป็นสินชาบ้านชาวช่องมากขึ้นมากขึ้นข้าราชการแล้วก็เพราะความเห็นแก่ตัวกินข้าวกับเมียที่บ้านไม่อร่อย ต้องไปแอบกินคนเดียวอยู่ในที่มีไฟไม่สว่างสลัวสลัวและมีคนเอาม า, ายกให้แล้วเดินออกเปหนีเป็นศีลเบียดเบียนตนเองไม่พออยู่ดีๆเป็นซื้อยาพิษคือเล่ามากินกันกินเท่าไหร่แล้วก็น่าใหญ่ใจโตไม่เสียดมเสียดายมีโอกาสก็กินบ้านกินเมืองคดโกงเงิงนผันเงนินผันอะไรออกมายิ่งมีโอกาสควบผมก็ยิ่งกินเต็มมาก แล้วความเดือดร้อนพุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเพราะเงินเหล่านั้นมันจะมันออกบ่มาเหมือนนะมันออกออกมาจากภาษีอากรประเทศชาติบ้านเมืองโลกมันพินาขาดทำกันเพราะอันนี้อย่ามาหัวเราะเยาะว่าอะไรอะไรก็พูดแต่สิ้นแต่ทำพระสงฆ์องค์เจ้าขาดสิ้นขาดําก็ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่งีงามแก่ประเทศชาติแก่สังคอมเต็มด้วยความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็น แย่งกันกินแย่งกินกันยูอืแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตชาวบ้านแย่งกันกินแย่งกินกันยูแย่งโคพิศาวาสพระสองฆอง์เจ้าแย่งอำนาจเป็นใหญ่เป็นโตนาหนังสือพิมพ์ลงข่าวพระฆ่ากันแย่งความเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดลงข่าวเป็นสามงสามีอะไรไปนั้นทั้งหมดนั่นก็คือความขาดสินขาดทามไม่มีความอายชั่วกลัวบาป สินธรรมมีอาหารมาจากฮีริโอตปะคือความอายต่อความชั่วเก่งกลัวต่อบาปถ้าคนรู้จักละอายกันไม่ต้องมีใครมารู้มาทักมาทวงทั้งใครข้างหน้าข้างหลังอะไรต่างๆทําทชีวิตให้มันสม่ําเส ม, เมอมันก็จะมีสินมีธรรมขึ้นมามันไม่อยู่ที่ไหนสินธรรมมันมีอาหารพระพุทธเจ้าว่าอาหารของสินธรรมนั้นก็คือฮีริโอตปะความอายทั่วเก่งกลัวต่อบาป ทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบ้านเมืองกำลังเกิดปัญหาไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยของเราทั่วโลกปัญหาแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าแผ่นไฟแผ่นลมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์สัตว์อื่นเขาไม่ได้สร้างปัญหาให้แก่โลก มาเขาอยู่กันอย่างน่ารักน่าเอ็นดูทีเดียวมนุษย์เหล่านี้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ทํำตนเองให้ประเสริฐสูงสุดขึ้นมาก็ได้และเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่โหดร้ายที่สุดในโลกพระพุทธเจ้าหันตบไว้คำหนึ่งว่าอคัองทานนางมนุษย์เสสมักขังสตะวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐลำเลิศมีอยู่ในหมู่ของมนุษย์นี้ ที่จะค้นหาที่จะเพิ่ปฏิบัตินำตนไปสู่เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตหลุดพ้นไปจากวังวนแห่งกาละองล้อแห่งกาละพ้นไปจากความวนเวียนของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายจนวิญญาณของมนุษย์หลุดไปสู่ความเป็นบริสุทธิ์ไม่มีที่อาศัยใดๆเป็นวิญญาณที่ไม่มีการไปการมาวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความรู้บริสุทธิล์ล้วน ที่เรียกว่านิพพานดับลงสึ่งความทุกข์ทั้งปวงและก็มนุษย์นี่เองสัตว์ชนิดเดียวที่พัฒนาตนเองให้สูงส่งเดื่องการกินการอยู่การหลับการนอนที่อยูอาศัายยารักษาโลกเครื่องงูหม่มธรรมดาสามัญจนถึงห้องแอร์ปรับอากาศจนถึงยุมวันในอากาศที่เรียกว่าสวรรค์ก็มนุษย์นี่เอง เหล่ามนุษย์นี้เองที่ใจต่าจิตสามที่จะต้องลงไปสู่พื้นนรกที่มอกไหมตกนรกทั้งเป็นเร่าร้อนจนถึงผูคอตายกินยาตายโดยไม่ต้องให้ใครฆ่าเลยตกนรกสุดเหวี่ยงไม่มีสัตว์นิ่ละฉัชนิดใดที่มันจะฆ่าตัวตายได้ไปดูสัตว์สาวาสิ่งที่เป็นบ้าปั่มปั่มเปื้อเปอืเป้หาได้ยากเย็นแต่มนุษย์นี้นะับวันเป็นบ้ามากขึ้น นังสือพิมพ์ได้ลงข่าวปีที่แล้วภาคอีสานเป็นแชมป์โรคประสาทมากขึ้นและสถิติการอย่าล้างเลิกจากพัวจากมีก็มากขึ้นซึ่งความจริงภาคอีสานนี้เป็นดินแดนที่แข็งแกร่งทางจิตใจทางวิญญาณทางสิ้นทางทำกันมาก่อนแต่บัดนี้สิ่งเหล่านั้นได้อ่อนแอแล้วฟ้องแล้วขาดสิ้นขาดทำโรคประสาทมากขึ้น แล้วก็มีสถิติการหย่าร้างระหว่างผัวเมียกันมากขึ้นนั่นคือความอ่อนแอลงของศิลธรรม้าจะมาประเทศที่จังหวัดน้องคายในคุกแม่นึกไม่ถึงกำแพงใหญ่โตมีเจ้าีนายามเฝ้าอยู่ทั้งสองสามชั้นกองเหล็กเข้าไปแล้วหัวเป็นสล้อนอยู่ในคุกไม่รู้ว่าเข้าวเป็นไปได้อย่างไร ชนิดสัตว์ั้งหลายมันมาเข้าไปแต่มันตเข้าไปเตะเข้มอยู่ในนั้นใส่โซ่ใส่ตรวนทั้งหมดนั้นก็คือคนขาดศีลขาดธรรมคนนี้แหละเป็นผู้ทําบุญสร้างต้นตั้นค่อมสงบสดชื่นยืนนานน่ารักน่าอยู่น่าอาศัยและสัตว์ที่มีชื่อว่าคนนี้แหละเป็นผู้ก่อเวรสร้างกรรมเผโลให้เราร้อนหรือประการต่างๆแมวจับหนูกินไม่เป็นบาปงูเขียวเข่าท้องตุกแกไปกิน ตับกินไตเจอไปกินอาหารในท่องในใส่ตุกแกก็ไม่บาปเขาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีคำว่าบาปวาบุญกับเขาไม่มีเพราะเขาอยู่ในสภาพที่ตกต่ำไม่มีโอกาสพัฒนาเรียกว่าบายภูมิภูมิที่มีความเสื่อมพัฒนาตนเองไม่ได้ไม่ไม่ใช่ภูมิที่ฐานะอันเลออย่างที่พุทธเจ้าของเราสันตัสว่าอักขางฐานนังฐานะอันเลศ มนุษย์เสสุขญูนิโมของมนุษย์เนี่ยภานอลเลอร์ที่จะพัฒนาตนเองเ่ว ด, ดาบนสวรรค์ยังไม่เลิศท่ามนุษย์ดอกพระพุทธเจ้าพระริยาเจ้าทั้งหลายพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็ได้มันเกิดเป็นมนุษย์จึงได้ตรัสรู้อนุตลัสสมาสมพรธิญาณไม่ได้ตรัสรู้บนสวรรค์ที่ไหนเพราะเหตุนั้น คนโบราณจึงพูดว่าสัตว์สิงหล่ไปหลุมโลกาบ่อหนป่านแนวคนผูมีพญากาเม็นสิไปคอนของตะวันทองเทวรห ล, ลอกหรือสิ่งลงสู่พื่อนอบายใหม่เหมือนมนหมูแผ่นเพืพ่ลงลุมอเวจีหรือสิ่นีสงสารโซนิพานพายพุ่นบุญกุศลเบื้องป่าปังตาบาบหักเม็นโนราชาเชื่อเฮ้านี้ผูเหตเป็นสัตว์อื่นมันเหดบอเป็น มันทำบุญทำบาปไม่เป็นศาสาวาสิงงูควายนกหนู ป, ปูปีกนี้จะมนุษย์อันนี้เป็นผู้ทำได้ไม่ว่าจะดีจะชั่วเพราะเหตุนั้นลกขาดสินขาดทำเมื่อใดโลกาก็วินาคนจะทำแต่บาปแต่กรรมไม่สร้างคุณงามความดีเวลาใดศิลธรรมกลับคืนมาโลกาสงบพรมเยน็น พ่ามนุษย์เนี่ยเดี๋ยวนี้ได้วิวัฒนาการมันจะมองไปไกลในยุคไฮเทคในยุคสปุตตบอตนเอในยุคกดปุ่มในยุคอินโฟเมชันเอททุกข่าวสารข้อมูลเก่งเหลือเกินขึ้นถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารถึงกันนาเดี๋ยวนี้มีระบบทีเนติกส์อินเจเนียริ่งวิศวกพันธุกรรมศาสตร์ จะสร้างแบตเตอี่สร้างพืชพันธุ์ดัญญาหารมาปลูกเดี๋ยวนี้ก้าวไปไกลจะไปสร้า ง, างฟาร์มปลูกพืชบนดวงจันทร์บนดาวอังคารประเทศที่เจริญอย่างสหรัฐอเมริกากําลังค้นหาเชื้อพันธุ์สร้างแบตเตอรียใหม่อยู่ในอุณหภูมิเท่านี้ร้อนเท่านี้เย็นเท่านี้ไกลขนาดไหนจะไปสร้า ง, างฟาร์มบนดวงจันทร์บนดาวอังคารกับอีสานเขียวอันไหนใกล้ความจริงแต่อีสานเขียวของเราก็ยัง ยากอยู่ทั้งๆที่อยู่แค่เอื้อมที่จะทำตายทั้งหมดก็ขาดสินทำแต่าราชการงดการขอรับคันเงินพันอีสานเขียวออกมาจะขุดสะขุดบ่อให้มันลงไปตามสาเปกไม่กินกันเหมือนเ<อ>ที่ยวหนี้แห่มันเป็นแถวๆอย่างที่คนโบราณว่าตาตอมหิวเงินพันออกมาจะขุดตรงโน้นตรงนี้ ได้นิดเดียวไม่ได้ตามสเปคต้าให้ผอให้เอกชนทําได้ดําได้มากๆากได้กินกันถ้าอย่างนี้มันก็พัฒนากันไม่ได้อีสานเขียวอยู่แค่เอื้อมให้พัฒนากันได้ภาอีสานของเรานั้นพัฒนาไม่อยากมีเงินมีทองใช้วิชาการเข้ามาช่วยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอยากจะเสนอให้สาบว่าจะประคุตบอกขุดซานในภาคอีสานนี่ ต้องพิจารณดูเนื้อตาดินขุดตื้นๆให้มันเก็บน้ําก็ได้ขุดตื้นๆเม็ดสองเมตรแล้วก็รอบข้างมันขุดลงไปลึกๆให้มันถึงดินเหนียวแล้วก็ไปขุดเอาดินเหนียวมาอัดรอบข้างมันคอมแพกขึ้นแน่นๆระยะต่อนหน้าดินเม็ดสองเมตรนี่ความหนาของมันเลยคอมเพคชั้นก็นมาเป็นเลเยอร์เลเยอร์เป็นชั้นเป็นชั้น มันจะหนีไปไหนน้ำนก็เลิกที่จะซสรมหนีดินเหนียวเนี่ยมันดีมากแต่เราไปอย่างนั้นไม่ไม่พิจารณาที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ขอให้มีเงินพันขึ้นมาได้อยู่ได้กินกันมันก็แก้ไขกันไม่ได้อีสานเขียวกับ g e n e t i c อ l engineering คือการพัฒนาอีสานให้เขียวกับเขาพัฒนาวิศวพันธุกรรมศาสตร์จะไปปลูกพืชบนอวากาศบน ดวงจันดาวอังคารขเขายัางคิดว่าจะทําได้ น, นั่นก็เพราะสติปัญญาที่คนอีสานว่าภูมิพญากา้ะพญาก็คือปัญญาสัตว์ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมาสู้มนุษย์บกอนปานแนวคนภูมิพญากะเมนสิไปคนของสวรรค์ท้องเทพวโลกสัตว์อื่นไปสาวรรค์ไม่ได้มนุษย์ไปได้หรือสิ่งลงสู่พื้อนอาบายใหม่เ ม, มืดมลตกนรก ตแต่ยังไม่ตายก็ตกนรกผูกคอตายกินยาตายไป็นหลกประสาทตายมากมากนัก่นคือการตกนรกนอกจากนั้นก็ไปแย่งกันอยู่ในคุกหัวเป็นสลอนนั่นกับมนุษย์บูรพ น, นพืชลอ่อลุมอเวจีฤิสีสงสารสู น, นิผ่านพายพุ่นหัวจุ่มจันเป็นสลอนอยู่ในคุกในตรางแน่นอิจเต็มหมดเกาะน บวชอวัดยูว่วาอยู่ป่าอยู่เขากินข้าววันละครั้งเดียวตื่นดึกลุกเช้าเจริญจะมาที่ภาวนาบิณฑบาตขอทานมากินมาเพ่งจิตพิณิพิจรารณา ง, งมมองเงมเมงงอเมงไม่สนใจเครจะมั่งมีศีรษะจะเสพกรงเสพกามกันยังไงพวกนี้เพ่งที่จะเอาจิตให้หลุดพ้นออกคนอีกเหมือนกันอยู่ในกลุ่มของคนก <c oughs> ็สองขานี่แหละเหมือนกันนี่แหละไม่ใช่ใครทีไหน นั่งคือบินเฮินฟ้าจำโบ้เจดบินอยู่เหนือฟ้าเหนืออากาศอยู่ในห้องแอร์ดูหนังไปพร้อมอยู่บนฟ้านุ่นก็คนอีกเหมือนกันมดลงไปใต้น้ำใต้ดินบาดาลพิ่พกอมนุษย์คนนี่อีกเหมือนกันกำลังจ้องจะเขนฆ่ากันหัวจุงมใส่กันจะกินตับกินไตกันเล่นไพ่เดินเฮโลทั้งคืนยันสว่างก็คนนี่อีกเหมือนกันติดคุกติดตางแน่นอีท ก, ก็คนนี่อีกเหมือนกัน จึงเรียกว่าบุญกุศลเบื่องปลาฟังตัมบ่าพังเป็นนรชาติเสือเฮ้าหนี้ผู้เหตุเป็นสัตว์อื่นเขาทำไม่เป็นยิ่งเวลานั้นในยุคปัจจุบันนี้ เ, นเก่งมากเลยมนุษย์ของเรามนุษย์เราเก่งมากในยุคปัจจุบันนี้รู้แผ่นพื้นเที่ยวทองถ้ำหลึกทะยานถึงเวหาห้อมเหียงประจันแจงดำดินดั่นมีโคคำเมกบินลงฝ่าอิงเอื้อมแทนอิน คำเกา่าในกรโบราณที่ไพ่เลาะเรื่องลึบบ่อสูนหรือว่าลึกปศนลึปบปศนมบูแพนพื้นเนที่ยวทองทํอมฤทธิ์ทะนานเึงเวหาหวามเหียงประจันแจงดนดินดันไม่โคคำเมฆบินลวงฝ่าอิงเอื้อมแทนอินเดี๋ยวนี้มุดลงไปใต้ดินขุดดินมาเพื่อจะทดลองระเบิดนวิวเคลีย ต่อมนุษย์อีกท่านานถึงเวหาหัวมเหียงพระจัญเกงบ่เป็นหัมเฮียงธรรมดาแล้วดะพอโล่สิบเอ็ดลงไปเหยียบดวงจันเสร็จปักทองเดยนี้เองจะไปปลูกพืชไปทำฟาร์มอยู่บนโน่นนั่นเห็นบ่ละ่ะคนโบราณบรกว่าท่นานถึงเวหาหัมเหียงผจันญเกงดําดินดันไม้โค้คาเมกบินลวงฝ่าอิงเ อ, งอึ่มแห่อิ่จะยื้อเจง ที่แพ้แทนที่พระอินโย่คนโบลาใช้สำนวนว่าบินหลวงฟาอิงเอื้อมแทนอินซุดแผ่นพื้นของเขตจัะกว่านถางพงไผ้เป่าแปลนตายเกีย่ยอาเกียนหล่อมขาะนั่นเนืองหนีซัด ส, สิงเน่าดูหนาผ้ากันดิบดันตายเป็นยังไง่าพรอชัดเจนมากเลยเมื่อขาดสินขาดทำความไม่พอดี แต่ก่ น, นั้นหัวปลาเห็ดก่อนเสารเขาเต่าเห็ดฝุ่นมอนทํางานทํำไรทาํานาบ่าไม่ได้มากเขาทุกวัดนี่เดี๋ยวนี้ทํานาได้มากเลยข้าวเนี่ยถ้าทาแล้วมาเสายยุ้งใส่ช้างไม่มีที่เก็บทิ้ไว้แต่ก็ไม่ได้ทำํำข่าวเปล่าทําฝุ่นมอนดอกทู้วันนี้ทํานาปีละสิบผลก็ไม่พอกินเพราะกินมากกินทางปากไม่พอกินทางตากินทางหูกินทางจมงูก ตาก็จะกินไปตาก็จะนั่งดูโทรทัศน์ไปหูก็จะฟังเสียงสเตอริโอปลดเพลงไปดังก็จะดมไปอาหารก็แต่งรสแต่งตินแต่งสีใส่อย่างโ น, น้นอย่างนี่เสือ้อผ้าอาพรอมซื้อน้ำหอมควรละเป็นพันถ้าเป็นคุณหญิงคุณนายควรละหกหมื่นดูหยดใสืผ้าจดเดียวเช่นนั้นซื้อข้าวสารได้เป็นกระสอบสำหรับคนยากคนจน เรกว่ากินทั้งจมูกกินทั้งดังเด็กดุมเด็กสาวซื้อเกาวมาดมหมดเงินหมดทองไม่รู้เท่าหลายดมและทําลายสติจมพัญญะห น, นังก็เรียกว่าบริโภคทางจมูกกินทั้งดังแผ่นผื่นคลองเขตจะกะว่านทางพงไผ่เป่าแปลงตายเกียยอาเกียยหล่อมคาน้านังเนื่องมีซั์สิสงเน่าโยดาบผ้ากันดินดันตาย ท้องโมสกุณชาตเชื่อแมวนอนน้าปักษินพากันบินไปหาบอนซิเ้าเนาอย่างพากันบินบนผายนี้ตาให้เป็นโมโมผู้ใหญ่พ้าแผ่นหลาดทะลายหล่อมลาวเลี้ยนเปลืองปินแปะขคงขอบขั้นทะเซกนหันไม่ฆ่าเม่เหมือดคนพลังใหม่สาญ่งเงานั่งเงืองงงงงงล่าสีสุนกจกวาดคนข่าวแดนดาวเดืองไว ก็หามนพิไซเสือชาวชนมนุษย์เท่านี้เป็นผู้สันเสกสางขมังเบืองบ่มการโทษมานาหอนไม่เททึงสวรรค์กระไดแล้วหมมันั่งคับทั่วโลกากาขวางใ้คนห่องเมืองคนมนุษย์โลกฮอนจังไฟอูดเอาท้ำพระเจ้าเสื่อมศูนย์วาสันพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราทา้เหลาเอาไว แค่คล า, ายตาท่านเห็นเดี๋ยวนี้มันก็จริงของท่านพวกเรานีเหาะเอิ้นเดินอากาศทำงานทั้งเวหาห่มแห้งผจัญแจ้งสร้างยานอาวตารขึ้นมาแต่ก่อนพอแต่ทำให้ขี้ได้ไปมาหาสู่กันเดี๋ยวนี้สร้างยานอาวตารขึ้นมาดีก็ดีไม่ดีก็ระเบิดตูมเซเลนเจอร์อ้าวผ่านไปก็มาสร้างกันใหม่ ขึ้นไปถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารทั้งงานถึงเวาหา ห, วห่วมเฮียงพระจันทร์แจงนอกจากนั้นสร้างเรือลอยน้ําไม่พอต้องมีเรือดำน้ำํานอกจากนั้นก็ขุดอุโมงใต้ดินลอดแม่น้ําใหญ่ใหลอดภูเขาเหล่ากาขุดอุโมง์แผนดินลงไปทดลองความสั่นสะเทือนระบบ ก, การทําลายของระเบิดต่างๆบิน ดำดินบินบนขึ้นไปบนฟ้าไปมาหาสู่กันสุดโลกกว้างแถบนิดเดียวดูเมื่อเดือนที่แล้วเด็กหญิงสาวชาวฝรั่งเนเธอร์แลนด์นูดมาจากไหนสองคนข้ามมาไม่มามาอยู่ในวัดมาศึกษาฝึกสมาธิภาว น, นาไม่เก่งเลอเกินคนตาไหมนี่ นี่พวกพวกที่เก่งทางวิทยาศาสตร์โลกเจริญทางวัตถุพวกฝรั่งมั่งค่าก็บินบ่งเที่ยวทองทําหลิดทยานถึงเวหาห่วเหียงะจันเจีงดำดินดันมีโคคําเมกบินลวงฝ่าอิงเอือมแผนอินสุดแผ่นเปืือนคงขอบจักรวาลทีนี่พวกที่เทคโนโลยีต่ำลงมาก็มาทำลายธรรมาชาติ บุกร้างถางพงพูเขาราบพนาศูนเตียนเลยถางพงไผ่เป่าแปนตายเกี่ยงอาเกียนหลอกหน้านั่นเนื่องหนีสัตว์หมูนองอยู่นาผ้ากดิบันตายสกุลสระเสือฟงโม่วมนปักสิงผ้ากระดินไปหาบนเิเ้าเน่ายังผ้ <c oughs> ากรนดินบนผ่ายนี้ตายเป็นหม่โมูผู้ใหญ่พ้าแผ่นหลาถลาล่นวาวเลี้ยง ตาอยู่ในน้ำตายเป็นฟุงเป็นบาดเป็นแผลเวะหวะไปหมดหัวโปโปสวมสวมเข้ามาในฝั่งทางหางเหลือแต่ก้างยังหายใจยุ่งางาบงาบงบบนทันใดตายชัดสิงเนาอยู่น้ำผากระดินดันตายสกุณาต์เสือฟุงหมงูม่มวนปักสิงภากันบินไปหาบันทีเสาเน่าอย่างภ้ากันบินบนผายนีตายเป็นหมู่หมู่หันตาทุกชนทั้งหลาย คงจะเคยพบเคยเห็นนกเขาขบ <upgrades> ินเป็นหมู่โม่บางครั้งเห็นบินจากเนื้อลงใต้บางครั้งบินจากใต้ขึ้นมาเนื้อกลางค่ำกลางคืนพระทรงองค์เจ้าท่านนอนดึกๆึกอยูในวัดป่าท่านเดินตรงกลมท่านนั่งสมาธิเดินง่ายๆได้เห็นเสียงนกร้องบินเป็นหมู่โม่ผ่านห้วมบนฟ้า บางคันหน้าหนาวจะออกใหม่หน้าฝนจะสิ้นไปเราจะเห็นนกเต่านกกระยาง น, นกกาบัวนกเป็ดปองนกแขบแค่นกเป็ดกากระซุ่มแซงคอยเห้าวนกตีเอียงกีการหางแดงพาดบินเป็นหมู่หมู่เป็นป้ายดองแ ด, ดงดองแดงทําไมเข้ามาจากไหนเข้าไปไหนกัน คนโบราณบอกว่าสกุลชาติเชื่อฟุงโมม่นปักษินพากันบินไปหาบอนซิเ้าโน่อยากพากันบินบน่ายนี่กลายเป็นมูอหมูกู้นี่พาเป็นหลานะลายหล่มเหล่าเรียนฝีมือของมนุษย์ได้ทำโลกนี้ให้เดือดรอ้อนอาเทียนพินาศโลกาวินาศซะแลว้วเพราะความไม่รู้จักพอดีไม่ปกติทางใจ อยากได้อยากดีดีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังเท่าไรไม่พอได้ทจะไรไม่พอทําลายลงไปภูเขาราบพนาศูนเหลือแปดเ ต, ตียนโลง่งเป็นภูเขาหัวโลนต้นไม้เหลือแต่ตอมีดินบ่มีใหม่ดินกระไงเป็นผงบ่มีดองดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหล่งายทล่าเคลืนแห่งแสงชุลีหอดีที่มีจัดตำเสือ้อสิซูลสิ น, สนเผาพัน ทางเมืองจันเมืองตาดอาจจะมาไปแสดงธรรมทางบอ่อไร่นาวงน้องบอนทางนูน่นแต่ก่อนเมื่อยี่สิบปีประมาณรึไม่ถึงยี่สิบสิบหกสิบเจดปีเคยเดินไปเมื่อก่อนน้นแนวเขาเขือไวเคยเดินด้วยท้ามีแต่ป่าเขาลำเนาภัายต่ดดิบดงดำทากปีงโคกหรือเยอแยะไปหมดส้อ ทางสัาวาสิ่งไปที่นี้จําไม่ได้ไอ้ในบนไปแสดงทำจําไม่ได้เลยดูตรงไห น, นคิดไม่ออกจําได้แต่ชื่อบ้านชื่อมืองภูเขาสูงสูงต่ก่อนป่าดิบดำดำเดียวนี้ไม่มีไม่ใช่มันมันมันไม่ใช่ว่ามันเตี้ยโล่งธรรมดานะลาบเลยสูงสูงลาบเลยขุดพลอยขุดพลอยกัน แต่ก่อนใช้คนขุดเอาเสียมเอาจอบขุดเอาเครื่องสโสบน้ําดูดมาแล้วก็เอามาฉีดมาร่อนเดียวนี้แบคโคใช้เทคโนโลยีรถขุดแล้วก็ใส่ตะแกรงหม้อเครื่องยนเครื่องไฟฟ้าตะแกรงน้ำนนํำในแม่น้ํำคนไหลลงสูง่แม่มน้ําเวนลงสู่ทะเลค้อเขาสูงสูงยอดสูงสูงราบพื้นดินที่ขุดร่อนกลายเป็นตมเป็นโคลนไหลลงตามร่อง แม่น้ำไม่น้อยสูแม่น้ำใหญ่สูทะเลนึกถึงคำพูดของคนโบราณบอกว่าพูในผ้าแผ่นลาดตัวเดียดตําปูพูในผ้าแผ่นลาดทะไล่ล่มเหลาาเรียอันนี้ทางพื้นดินป่าดิบดงดำราบพนาศูนย์ภูเขาสูงต่อสูง ร, ราบแต่ไปทางอําเภอนาการจังหวัดอุดรธานีภูเขาเห็น สูงเสียฟ้าเดนี้ไปฝุ่นตลบกบตลาดโตออกไปเอาดินไดนะาไม่ยัดเข้าไปละเบิดตมหินพังทลายรถตัดใส่รถ ด, ดำวิ่งขึ้นโลงโม่คัดเชิอแผ่นโม่ออกมาแล้วขนมาขายสั่งถนนหอนทางสร้างบานสร้างช่องภูเขาหินราบพนาสนภูเขาดินราบพนาสนทางขดพอยทางนุน่น มันเป็นอย่างนี้ฝีมือของมนุษย์ไม่รู้จะเอากันไปถึงไหนถึงขนาด น, นั้นก็บอกว่าปูนขาดตลาดขึ้นราคาปูนนั่นก็เอาหินเอาดินในภูเขาเนี่ยมาทำจำหมดจำหมดแล้วป่าเขาลำเนาไัยกันทางกันพวกเศษที่นายทุนโค่นต้นใหญ่ๆล่าเข้าสุโลงานลง แปรสภาพนี่ก็ลากลงแม่น้ําส่งออกนอกประเทศส่วนคนยากคนจนไม่มีโรงเรือย่ยไม่มีเครื่องจักรเครื่องอนทางปูปอปูมันไดมาขายซื้อเหล้าซื้อยากินเล่นการพ น, นันซื้อโทรทัศน์มากินทางตาซื้อเทพซื้อวิดีโอมากินทางหูซื้อกาวมาดมกินทางดังเสื้อฮานมากินทางปากฝาดเข้าไปยาพิษกินเข้าไปออ มนุษย์นี้เป็นสัตว์ทำลายสะจริงจริงไม่รู้จักความพอดีทำยังไงคนโบราณ น, นั้นพูดเอาไว้เมื่อมันเป็นอย่างนี้นี่ยังทำได้น้อยนะท่านบอกว่าสัตวาวาสิ่งมันจบไม่ได้เพราะมนุษย์ทำในฝีมือของมนุษย์ตัดก็เลยบินหนีไปหาตายพวกนกนกนกที่อยู่ในานามพวกนกเป็ดปองนกเป็ดเทพนกเป็ดกาบ้านเราเนี่ย บินจากใต้ขึ้นมาออสเตรเลียนุย่นิสภาพแว่ล้อมหนาะนาวห น, นาวจัดยังไม่พอน้ำฝนเมืองฝรั่งทงันซาทุชนตั้งหลายเดืยนนี้เมืองฝรั่งอเมริกาคนาดาหรือแทบอเมริกาแถบเลอบแคนนอนแถบประเทศคนาดาเชโกสโลวาเกียสแกนดิเนเวียนต่างๆบ้านเมืองฝรั่งที่เจริญด้วยอุตสาหกรรมอมนุษย์อีกเหมือนกัน เอาในบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่พอนะทางป่าทางดงเจาะภูเขาระเบิดเอามาย่อยมาหม้อแล้วมาร่อนหาเพชรหาพลอยเพชรพลอยทั้งของกินไม่ได้ <c oughs> ของหลอกลวงกันเอามาว่าเป็นของดีของงามเฉยๆ <c oughs> กินไม่ได้สู้ประเด็กบองก็ไม่ได้แต่ซื้อกันด้วยราคาที่แพงที่สุดก็เป็นบ่าทําลายภูเขาเลากากัน <c oughs> ทางเมืองฝรั่งนั้น นอกจากเอาบนดินไม่ได้ขุดเอาไปใต้ดินขุดเอาใต้ดินที่บอกว่า ด, ดำดินดันไม่โค้กขำเม็ดบินหลวงฝาอิงเอื่อมแผ่นอินขุดเอาน้ำมันใต้ดินเอาแก่ใต้ดินดูเขเธอมาไปดูทางตะวันออกตลางซาอดุดีอาระเบียอิรักอิหร่านพวกบา์เลนพวกคูเวตไปดูเธอ ห้าฮันดังไลมีโอกาสเดินไปทะเลทรายอันเว่อวังถึงไม่มีอะไรเดีนี้ก็คดพุนไปหมดเลยบนแผ่นดินดูดเอาน้ํามันฟอสซิ่งฟิวเอ็นซ่าอินทรีย์วัตถุสัตว์สิ่งเกิดมาตายเป็นพันๆหมื่นๆแสนแสล้านปีทับของแผ่นดินมันกลายเป็นพวกแกพวกอะไรโบดขึ้นมากั้นมาเผาลองงานควันตะลบไฟลุกท่วมทั้งแผ่นดิน ที่คนโบราณบอกว่าเปื้องปิงแปะคงขอบขัน้นเตศกลดคนให้ฆ่าเมฆเมื่ดควันทะล่างใหม่สาญ า, า, งาเงาเงำ่งมกลาสีสูนเมกจะกวาดคนข่าแดนด่าวเดืองงวยคําพูดนี้ฟังไพเราะและก็มีความหมายกลดคนไม่ฆ่าเมฆเมืดควันทะล่างใหม่ไม่ว่าบ้านใดเมืองใดควันตลบจนบังไม่ให้พระอาทิตย์ส่องแสงลงมานในโลกสาญ า, า, งาเงาเงำ่งม ล่าสีสูนิษายาก็คือเงาทห า, ารนไา้มีโอกาสเดินทางไปที่เมืองเช็กตํมเมืองโคฟุบอัลฮัตซาอุสมานีญาไปจนถึงทูเบลแถวนี้แถวเมืองโฮฟุบเช็กตกัมอัลฮัสซ่าอุสมานีญาแถวเนี้ยโอ้ยควันตลบไฟไฟลุกท่วมลองกันน้ำมันเป็นจุงจีมองไปทึงไหนมีแต่ไฟลุก บนฟ้าแล้วควันของมันเงาดำทะมึนมืดคลึมหนามังางทะเลสายมืดเพราะเงาของความไฟสารยังเงาเง่าเมือบลาสีสุนเมฆจะกวาดคนข่าวแดนดาวเดืองงุวยก่อฮาเมนพิไซเสือเช่าชนมนุษย์ติเท่านี้เป็นผู้สรรเสริญสังขมังเบื้องบ่มการก่านมนุษย์นี้เป็นคนดูดขึ้นมาเจาะขึ้นมาเจาะเอาดูดขึ้นมาตันลงาน น้ำมันโรงงานแก๊สไฟลุกท่วมแถวเช็กกั๊มนี่นั่งรถไปเป็นกิโลสองกิโลไฟลุกบนดินมนุษย์เผาแก๊สเหม็นกล่มไปหมดเลยข้อมานาฏหอนในเทพทึงสวรรค์ร้อนลนไปหมดถึงทั้งเทวดาบนสวรรค์ น, นี่หนะูไม่ได้มนุษย์ดังไฟอวกเทวดาซ์เดียวห้อมมานั่งคัดทัวโลกกากวาง ในหุนห่องเมืองคนมนุษย์หรอกหอนจังไฟอูดเอาทํำพระเจ้าเสื่อมโซนเดน้โรร้อนเหมือนไฟเผาประเทศกรีเคยสงบร่มเย็นหนังสือต่างๆที่เราเรียนเรื่องปรัชญาตะวันตกโซเครติตอเลสโต้นอันกรกราเพโตอะไรต่างๆร้่นเดนักปาดกรีเดียวนี้เมืองกรีกร่อนสองปีก่อน อ่านหนังสือพิมพ์พบตรีร้อนตายสองสามรอยคนเดียวนี้เมืองฝรั่งร้อนมากเมืองไทยก็ร้อนมากความร้อนของโลกสูงขึ้นและขยายเวลามากขึ้นพวกฝรั่งมั่งค่าตายเพอราะร้อนมากทําไมจึงร้อนมนุษย์ก่อไฟเผาตนเองไฟอว ด, ดเอาห้อนจึงไฟอว ด, ดเอาถ้ำพระเจ้าเสื่อมสูญธรรมะคือความปกติความพอดีสินคือความพอดีความปกติธรรมะความพอดีสินคือความปกติ สีลังสีลาวิญยาภาวปกติเหมือนก้อนหินตั้งอยู่ตรงไหนลมพัดไม่วันไหวความปกติทางตายความปกติทางวาจาคือสิลความพอดีทางใจนั่นคือธรรมมุ่ความพอดีความปกติมันไม่มีมันขาดแขนไปจากจิตใจก็เลยห้อนจึงไฟอูดเอาทำพระเจ้าสัง่งสอนดูดน้ำมันดูดแก๊สม า, าเผาเท่าไหรไม่พอกันก็ ม, นมาส่งขายทั่วโลก ควันไฟอันเกิดจากโรงงานเผาแก๊สเผาน้ำมันกันกองลอยขึ้นไปในอากาศลอยฟ่องขึ้นไปจับกันเป็นกลุ่มเม่กลุ่มฝนตกลงมามีพิษมีภัยยังไม่พอประเทศฝลังเอาสารถูโตโนีเอามาแยกมาแยะเป็นพลังงานนิวเคลีย์เอามาทำระเบิดนิวเคลีย์ทำพลังงานนิวเคลียร์สารถูโตโนีเมร้ายแรงมากนิวเคลียร์วอสกากเดนของนิวเคลีย์ ทิ้งลงไปฝังในดินสองแสนห้าหมื่นปีจึงจะหมดพิษทิ้งลงไปในน้ําทะเลแอตแลนติกทางเหนือนู้ดห้าแสนปีจึงหมดพิษน้ําทะเลมันมีกดอยู่ในตัวมันความเค็มปลาที่อยู่ในทะเลมันเคยชินกับความเค็มกับกดต่างๆมันอยู่ได้ทีนี้ไอควันของโรงงานพิษควันของน้ํามันควันของแก๊สควันของโพูโตเนียมสารที่สร้างเป็น พลังงานนิวเคลียร์อย่างที่มันระเบิดขึ้นมาที่เมืองเคียบที่โซโนโบินเมืองเคียบประเทศโซเวียตนั่นลอยฟ้องกันไปในอากาศลอยไปทั่วแล้วก็กลายไปเป็นปฏิกิริยาจับกันเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาเดี๋ยวนี้เมืองฝรังกินน้าไม่ได้ฝนตกกินได้บอก่านา้ำฝนฝรั่งกินเข้าไปไม่เจ้าอยากตาย ฝนนั่นนหะก็เรียกว่าเอซิสเรนฝนเป็นกอดเพราะฝีมือของมนุษย์ทําให้ฝนมีพิษขึ้นมาอีกแล้ว mm hmm. ตกลงมาแล้วไปอยู่ไหนฝนน้ำฝนตกลงมาจากที่สูงที่ต่ำไหลลงไปค้างกันที่ดอนน้องใหญ่ๆเรียกว่าทะเลสาบน้องไม่น้อยเรียกว่าน้องห่วยน้องคลองบึงไหลลงไปรวมทะเลสาบยังไปสู่ทะเลใหญ่เดี๋ยวนี้ทะเลสาบตายทะเลท า, ายขยาย ทะเลสาบในอเมริกาคานานดาต่อ ด, ดีในกลุ่มเชกโสเกสโลวาเกียในกลุ่มสแกนดิเนเวียอะไรต่างๆเดียวนี้ทะเลสาบคือน้องใหญ่อย่างน้องหานบ้านเราตายไปแล้วสองพันแห่งพวกตากุ้งตายลูกเดียวพวกนี้ขึ้นบนบกไม่ได้ยังไงยังไงก็นอนแช่อยู่ในน้ำน้ำมันมีพิษน้ามันมีกด น, น้ำขี้ขวายเหม็นๆยังพออยู่ได้แต่น้ กดน้ำพิษที่ตกลงมาจากฝนที่มนุษย์เอาไปเผาให้มันเป็นไอให้มันเป็นควันไปนเป็นเมฆตกลงมาปลากับกุ้งตายลูกเดียยนี้บ่ใด้คึ้นโคกบไ่ไใดเตาไม่ไหวก้อีเคินโคกคานตับสาบตับสาบมนุษย์จับยิน พวกหอยไม่ไวเขึ้นมาบนบกหาที่จับมนุษย์ก็จับกินอ้าวเึ้นบอกมนุษย์กินลงน้ำน้ำเป็นพิษเต่าหอยปูปลาเอี่ยนปลาไหลปลาลดหมุนมูอใต้ทได้เห็นตายไวก่อนมือพอ้นี้ตายนี่คนโบราณจึงบอกว่าอาเกลล่อมคาหน้านั่นเนื่องนีซัดสิส่งเน่าอยู่นา้าผ้ากันดิน่งดันตาย ที่นี้ไม่เพียงเท่านั้นพวกนกที่อาศัยน้ำนกเป็ดปองนกแคบแคนกเป็ดกานกกาบัวนกสะสมแสงคอหญ้าพวก อ, อาศัยกินตามน้ำตามถาวร้วยน้ำเป็นพิษอยู่ไม่ได้เมืองฟาลังอยู่ไม่ได้บินนี้บินไปหาที่มันสบายที่ไหนเมืองไทยบินมาหนองหารบ้านเฮาสกลนครนกเป็ดามมาาก า, ก า, ามาจากออสเตรเลียอ่านนกปากหางมาจากเมืองจีนมาจากทางนูน ทางยุโรปทางตอนเนื้อทางแถบอซบีเรียหนีมานี้จากพลังงานูกโตเนียมนี้มาจากสารพิษนี้มาจากน้ำเป็นพิษทะเลสาบทางโน้นตายหมดแล้วสองพันแห่งเต่ากุ้งหอยปูปลาตายหมดพออยู่ได้กว่าทางประเทศไทยประเทศด้อยพัฒนาที่ยังไม่มีพลังงานนิวเคลียร์ปูโตเนียมยังไม่มีเอซิเทรนยังไม่มีฝนเป็นกดพอมีอยู่หน่อยัง ก็พา ก, กันบินมาพวกนี้บินมาทางนี้เอาแล้วห้องจีแคร์เจ๊กแจกฟุงเมสกุณชาติเสือมวนหมู่พักสิงพา ก, กันบินไปหาบนเส้าเน่าจยั่งพา ก, กันบินบนผายนี้ตายเป็นหมูม่มูแล้วบาดผ่านถึงนีกินหัวอีกสร้างเอามองกลางขายเวหาบนพระว่าใส่เบ็ดมาจุ่มจุมกันเบ็ดสวรรค์ป่วันนี้ ใส่ในน้ำไม่พอไปมัดจุ้มใส่บนบอกรือว่าเบ็ดสวรรค์เบ็ดนรกบัวนกบิน ม, มามันไม่รู้เบ็ดมาชนติดเบ็ดยูด่ทั้งฝ่าผมเบลึงทึงเถดนกเป็ดนกอย่างตายอีกมาพี่โอ้ยดูตนสาเติเอ๊ทัานนี้อากาศดีแต่มีแต่ผีค อ, คอยกินหัวนี้ไม่ได้เข้ามาอยู่ในวัดนกมุกดนกเขาคนทั้งหลายฟังเทศแล้วเกิด ใจอ่อนเมตตาปณาเอามาป่อยเอามาไว้ในวัดอาตมาปล่อยแบนเขาแข่งเทยขคขากูกูกูกูนกกดบินตามออกนอกวัดเสียงปืนปังเซ็ตเขาไม่หีบปิ้งแสบเดชได้ยินเสียงนกเขานกอดนกเอียงขันอยู่ในวัดเป็นฝุ้งฝุ่งแบกปืนเลาะขอกทางขางำลายเฮียอยู่โจโจกนานออกมาเทเรมาสันโอ้โหสงสา ร, รเขาเลิศเดิน นี่คือฝีมือของมนุษย์บ้านเรานี่ก็มีแล้วปูปลาตายกันเป็นฟงเอียนตายปลัไหลปลดตายมันเป็นน้าปุ๋ยเป็นน้ายาเผื่นหวาดนี่ีท่านนักหลายยังไม่รู้อีกเหรือว่าฝนมันเป็นพิษเมืองฝรั่งอยู่ไม่ได้ประเทศอื่นนุงมไค่เนยแต่ประเทศไทยนี่บ้านเขานั้นทะเลสาบใหญ่เหมือนน้องหารตายไปเลวสองผันแห่งที่วัดตายนั่นหมายความว่า เต่ากุ้งหอยปูปลาสับน้ําอยู่ไม่ได้น้ําเป็นพิษน้ําเหล่านั้นมาจากไหนมาจากฟ้าจากฝนฝนมาจากไหนมาจากเมฆเมฆมาจากไหนมาจากควันไฟอ้ยอยเองที่มนุษย์ทํำทำไม่ให้ไปทําปฏิกิริยากันนอกจากน้ำสาล CFC คาร์บอนฟอโรคาร์บอนที่มนุษย์เอามันตันเอามาันแยกมาแยกมาทําเป็นน้ําหอมในเฉเปย์ทำน้ํา ยาตู้เย็นน้ำยาแอ่พวกนี้เลย้อยตัวขึ้นไปในอากาศละลายไปกัดก่อนพวกโอโซนโคนพวกคู่ฟ้าแนวกั้นอยู่บนฟ้าที่เราเห็นฟ้านันหนาอากาศนันหนาโอโซนไว้เนี่ยคอยกั้กองแสงจากอาทิตย์ที่ร้อนแรงอุ่นตาไว้เอเรสอันนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันไปทําปฏิกิริยาตัดก่อนกันเป็นลูโห่เข้ามาแสงโอโซนนั้นก็ แสงอุ่นตาไปเอเลรก็รอดเข้ามาในโลกในหมากคนเป็นมะเร็งมากจะตายมากแล้วอากาศก็จะถโหมอดไม้ที่คนโบราณมาักจะขอนขอนเ ข, ขาสามห่มโพสีจะนัง่งตายนอนตายยืนตายเดินตายเดีนี้ประเทศญี่ปุ่นเกิดโคโรซิคโรซิพอกปริบายโอตายกระทันหันตายเพราะเครียดตายเพราะขมองทํางานยากหน่ายากมีอยา ก, ยา ก, ยากเป็นตายเพราะอากาศเป็นพิษหลายขึ้น จ น, นัึงก็มีโรงงาน Distin Water แพ่นโรงงานตัดเน้ำแล้วก็มีโรงงาน Distin Air Filter แพ่นโรงงานตัดลมเอาลมใส่ถุงมีวาปิดไปกับกดปั๊บดมมนได้ดมลมถ้าไม่ได้ดมที่ซื้อมาดมบ่มีเฮงจะตายงา่งามง่ามงออยู่คือปาง่อมเผาในเมืองนอก นี้ตายก็เียว่าลิฟจิสเอ็น l อ n นเวลอนไม่เลิฟจิสนี้หัยจากสภาพแวดล้อมปุงหนาลอนฝรั่งนี้แลว้วนี้ไปหาภาคปอนได้นี่มาหาซื้อที่ซื้อทางในประเทศไทยพวกญี่ปุ่นมาซื้อไร่ซื้อนาซื้อไกรกันแถบบังน้ำเปรี่ยวสะเชิงเสาแถบรอบฝั่งทะเลตะวันออกตะวันตกขายให้นายทุนต่างชาติเขากำลังนีตายนี้มาบุกมาซื่อเร็ว มาซื้อที่ดินพวกวเราแพงๆแล้วก็มาพากันญาติกันขายต่อไปก็จะยืนตายจากโลกมามีที่ดินอยู่พวกต่างชาติมันู่แล้วก็จะมาสร้างโรงงานโรงงานจะมาเผาที่นี่เองล่ะที่นี่ครัเบิงเจ้าจะได้งอมองงาบงาบงา บ, งาบอันนี้คนโบราณบอกว่ายอยู่ที่ฝีมือของมนุษย์ นกมันบินได้มันมีนปีกมันนี้จากสิ่งที่มัน ร, ร้อนร้อนถึงมันเป็นพิษน้ำเะเลสาบที่อื่นอยู่ไม่ได้มาอยู่หนองหานบ้านหามอ้าวใส่เบ็ดสวรรค์ปิดขายเวหาตายกันเป็นฝุๆงร้อนไปทั้งฟ้าทั้งดินนี่คือความที่ทำให้โลกเดือร้อนวุ่นวายโลกาวินาศเมื่อมนุษย์ขาดทำเ น, นียบเมื่อโมฮาห์เพราโลกาสีหอนแหงหุ่นแล้ว ย่ามนีสินขาดขวัญบ่มีหูดตำสูงฟุมโมนักปาดเจ้าลงหอมความขึดสีบทป่วย ต, ตามแผนแกนเดิมลิในใตัง้งเ่ยเมื่ออาจารย์เจ้าแปลจนสักสูตรไปสู่สละแปดหาดถึงเอมูอาสละประทมฐานเิียงห้อมหัตถบาตพระจันชนะเป็นทีจักผสมหายออกเสียงเงี่มเมื่อดาวสเสด็จใหญ่อังลงมาเถิดเมือ่อใดหนู ก, กับทุ่งมาขวบแปะแป๋ให้วาอัน อันตะกาเล่นั่นคือยามคนใจบอดเมื่อแปดด่านบรรฑิตเชื่อให้หินตรองเจ้พญญาพันยาเสียมแหลมคมคงซองเห็นตีเฮียมนี่เป็นภูปูเสร่มสิ่งซองขาหนึ่งเอาเดอ้อยามนี่โลกนี่เสียงศูนขาสินทำยามนั่นโลกกากรวยเคิอนทะลังทะไล่หง่อ ง, ท, องท่ำเจา้าองพุทโคเกี่ยงมิลลินดินและฝ่าแดนดาวกาเดืองน่วย ฟ้าทะพี่เพื่อนไอสวนแสนเีบจะตุโลกหลังล่วงลำซอยบอ่อขื่นได้แล้วพายบนพอบแทนหลวงเมฆขลาดตํำลุมฝ่าแสนทางเทพปดามาเศสักไทยเทว่าทุกทีบเมื่อซอยหนาวดึงขึง้นกาบอ่อขื่นได้แล้วเทพผ้าเพื่อนอินพ่อมเพี้ยนซอยได้บอ่อคันเป็นเฮ้าปีนองไล่ถิ่มหอมทำ ทูกสำสัาสตาขนาดหนกผอมทั้งฟงปูปลาเต่าหอยในน้มลุกโคด่าวแเดนไผ่พงเทือนผู้ใหญ่พาแผ่นล้านทล่ายล่มหาูีเย็นเพราะญ่ไม่ไง่อยนองเอ้ยมื่อโลกขาดทำไม่รู้จักดำจากสูงพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในจกักรวรติสภีขีาในกาย พระตรปิฎกเล่มที่สิบเอดจะกระวัติดโสดท่เล่าไว้คนขาดสินขาดทำจิตต่ำใจสามไม่รู้จักต่ำจักสูงสินขาดก่อนว่ามีหัต่ำสูงพ่อจะเสพสมกับลูกสาวข่าวหน้าหนังสือพิมพ์พ่อปั้มคืนใจลูกในไส้แต่แท้มีกี่คนคืนใจมาหมดเห็นบหใกล้แล้วใกล้แล้วในม้าขนากกนดนี้ที่หวาดสินขาดก่อนว่ามีหัต่ำสูงลูกสาวจะเสพสมกับพ่อ ลูกชายเศษสมกับแม่พี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องาชายจะเศษสมกันเมือนรัตวาวาสิ่งหลังจากนั้นความเห็นแก่ตัวเฮินการหายมันก็มีมากขึ้นเอานังมาใชา้บอกกันสอนกันรักกันแก้ผ้าเขาออดจูกันชังกันชักปืนก็ไล่ ย, ยิงกันทั้งหมดนั่นคือสอนจิตใจให้เร่าร้อน นวลแรงขึ้นจิตใจคนจะต่ำตามห้าปีจะมีความกำหนัดการสิบปีจะตายหลังจากนั้นเกิดสถานตะลักตับเมืดเห็นกันเป็นอาหารเข่นฆ่ากันเจ็ดวันตายเตี้ยแต่มีคนจำพวกหนึ่งหนีเข้าป่าเข้าดองไปสร้างคำความเพียรสมาธิภาวนามเมื่อหลอกสว่างมาเห็นกันวิ่งมาเกาะตเรายังไม่ตายหนอ เมื่อนั้นก็มีความรักกันมากขึ้นสิ้ธทรมกอเกิดขึ้นลอกเสื่อมเต็มที่ก็จะมีสิ้มีทาเข้ามาช่วยจิตใจก็จะโลิมขึ้นสิ้นทมนี้มากขึ้นอายุก็ยืนขึ้น ตจนถึงแ 0,000 ื่นปีก็เกิดโลกสีอ่านระวังใครดีเดี๋ยวนี้สีอ่านเกสีอ่านปอมสีอ่านเมเกิดขึ้นแล้วพากันลังไลลไปสีอ่านโตแม่พระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดเป็นสัตว์ตัวเมียขอท่านทั้งหลายจงจําไว้ในโลกกัะถางหนึ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันสององค์ย่อมไม่มีเดี๋ยนี้เกิดสีอ่านเมสีอ่านเกสีอ่านปอมเกิดขึ้นแล้วก็หลังไลลกันไปเสียเงินเสียทองกันอ่าน ท่านทั้งหลายขอให้ฟังไว้ให้ดีกว่าคนมืดนั่นมืดไปหมดเลยที่บอกว่ามืดแปดด่านบนัณฑิตเสือใหหินตองยง่มได้หลอกนีเสียงสนขาดสินท้ำย่มนันโลกกากวยเคินพลังทลายหงองค้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินแลฝ่าแเดนดาวกระเดืองงวยดินดนอะไร มันจะไม่ไหว้สลี่ยดังที่กล่าวแล้วใครจะมาช่วยได้ปัตพี่เพื่อนไอส้สวนแสนเทบจะตุลกหลังล่วงลำซอยบอ่อขึ้นเท้าจจตุโลกกับบานพระอิสวนพระพมยมมาลาช่วยอะไรไม่ได้เพราะคนขาดสินกาทำพายบนผอมแทนลลวงเมฆขลาดกำลุมฝ่าแสนทางเทบปดามาเฮสั์ไทยเทพาทุกเทบมาซอยหนาวดึงขืนบอ่อขึ้น คืนยังไงคนไม่มีศีลมีจำให้เทวดามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เท่ผ้าเพลินเอ็นพ่อมเพี่ยนสวยได้บอกกันไม่เท่าพี่น้องไล่ทิ่มหอมทั้งถอกซ้ำซั่นตาตาขนาดนกผอมน้องฟุ้งปูปลาเต่าห้อยในน้ำลูกโคด้าวแดนไผ่พ่องเทือนผู้ใหญ่ผ้าแผ่นหลามตัวเตี้ยตําปูเดือดร้อนวุ่นวายป่าเขาลําเนาไผ่สัตว์สาวาสิ่งในน้ําบนดินมีดินบะมีใหม่ดินกระไงเป็นพง ว่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแหล่งซ้ายทลากเคินแห่งแฟงสุรีห่อนจีชีวิตทั์ตำเสือสูญสินเผาพันตายกันไปเพราะเหตุ น, นั้นท่านฟ้าทุชนตั้งหลายกลับมาเถิดมาสู่สินสู่ธรรมมิเช่นนั้นแล้วมันจะเข้าสู่ปียุคแล้วเราจะอยู่ในสามหมโพสีอยู่บอ่อถ้ารักตนเองรักสินรักธรรมรักบ้านรักเมืองกลับมาเถิดมาประบพฤิธรรมกันสร้างความ พอดีให้เกิดมีในจิตในใจสร้างความปกติในจิตในใจให้เกิดมีความปกติคือสินความพอดีคือธรรมอย่าโลภมากอยากร้ายมันจะเป็นทุกข์จนตายตายไปแล้วเอาไปนั่บ่ไดพ่อก่อนขี่ไก่ขังถ้าหาท่านสนใจวันที่ยี่สิบห้าถึงวันที่สามสิบอาตมาปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ไปที่จังหวัดหนองคาย ที่พระทาตบางพลน้องสองห้องท่าทันบุไดมีความสนใจจะไปบวชชีพามประพฤติปฏิบัติทำกับอดาดมาห้าวันเชิญเข้าบัญชีแล้วก็ส่งมาที่นิเพทะพารามจะมีรถบาสมารับไปน้องคายและก็ส่งด้วยฟรีๆไม่ต้องเสียเงินท่านเพียงแต่เตรียมอามเตรียมภาชนะใส่อาหารพวกช็อปปิ้งแว ที่มีฝาปิดด้วยแล้วก็ช้อนไฟฉายเครื่องนุ่งห่มขาวแล้วก็มุ้งกันดึงเครื่องนอนของท่านเท่านั้นพอมีคนเลี้ยนเรียบร้อยอยู่ที่โนนแล้วเพื่อปฏิบัติธรรมมีรถบาสมารับแต่อยากทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่อย่ามาเกินโคตาอย่างที่ไปเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วไปมุกดาหารเกินโคตาต้องเมารถใหม่เดี๋ยวนี้อยากทราบว่ามีกี่คน พี่น้องใต้ชิดส่งจดไม้มาส่งบัญชีรวบรวมกันมาเราจะได้โทรศัพท์บอกเขาเอารถมารับเพียงพอไม่ต้องเสียเงินค่ารถแต่เสียอย่างเดียวคือต้องไปปฏิบัติธรรมกันสมาธิภาวนาฟังการอบรมกันพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องปองไปไปนัางเซามีแหงพักผ่อนเลือดไม่ตกยางไม่ออกไม่ได้ขุดดินสีใหม่แบกไหม่ง่ายขอนอย่าเล่าร้อนวุ่นวายหลายตายแล้วไปนํนางโบได้พ่อก้อนขี่ไก่ทางพ่อใหญ่แม่ใหญ่เ อ, อ้ยอันนี้ ประกาศให้ทราบเอื้นให้ลุกปลุกให้ตื่นโลกาจะวินาเพราะขาดทำเมื่อใดมีสินมีธรรมกลับมาโลกาก็จะร่มเยน็นเอาแค่ครอบครัวของท่านเหมือนหลอกหลงหนึ่งทำยังไงจะร่มจะเย็นมาฝึกหัดจิตใจของตนเองให้สงบให้ลำนับให้มันปกติด้วยสินสงบด้วยสมาธิสว่างด้วยปัญญาจิตใจสะอาดสว่างสงบบริสุทธ์มั่นคงอยู่เย็นเป็นตุก จนถึงวันตายก็ได้นี่เรียกร้องท่านทั้งหลายให้เข้าใจเชิญชวนไปประพฤติปฏิบัติธรรมวัดเคลื่อนที่ที่วัดพระธาตุบางพวรหมู่บ้านหนึ่งเป็นวัดป่าจังหวัดน้องคายวันที่25มีนานี้ถึงวันที่30เขาจะเอารถบ้ามารับท่านผู้สนใจเข้าบัญชีแล้วมารอที่นี่จะไม่ขัดข้องกันถ้าถึงวันแล้วมาเลยมันจะเหลือรถอย่างที่เคยไปอันนี้บอกท่านทั้งหลายผู้สนใจ หาบโซดาด้วยทํามล่งกันตามโศกเจ้าแล้วหินแหเจ้าหักคือว่าแก่ตามเจ้าสิบิงเอาหั่นทอน n ไผบนจำใจเจ้ากินสารของเบือเ่อเม่านาะเจ้าออเป็นปูหงส์สังมาให้เพลินเตือ น, นบุญมาค่อยพ่อเขา้าซาลีขาวอ่อนหยอดบุญเจ้าห ว, วานกวัวอ่อยเมื่อนาหากสิเห็นดอกนาะเชิญท่านสาธุชนตั้งหลาย ผู้มีความต้นใจใฝ่ทาได้พบกันเอาสินทํากับคืนมาโลกาจะสงบร่มเย็นอย่างน้อยให้ข้อบครัวของเราอยู่เย็นเป็นศพมีสินมีสมาธิมีปัญญาบัดนี้โลกาจะวินาศถ้าหากมันขาดทก่อนที่มันจะเป็นอย่างไรก็ตามเราเอาตัวเราให้รอดพน้นคอนขอนเข่าสามหอมพ่อสีกันว่าให้เราเข้าสูร่ร่มโพธิ์ สามร่มคือร่มแห่งความสะอาดสว่างสงบร่มแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่มแห่งศิลนแห่งธรรมสมาธิปัญญาสุดท้ายการกล่าวถรามิกระทานในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขสวัสดิ์